จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่กทานวันนี้เป็นวันพุทธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธาอย่างแน่ว แ, แน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างให้มากมากเพราะมรรคก็คือทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเป็นทางที่พระพุทธเจ้า และพาาระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้เดินไปถึงแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วจึงได้กลับมาสั่งสอนสาธุชนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติตางให้สร้างถานเดินที่พาไปสู่พระนิพพาน พาไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายมักนี้มีอยู่แปองค์ด้วยกันเรียกว่ามรรคปถ้าเป็นทางก็มี8ปช่องทางพวกเราต้องสร้างมรรคให้ครบทั้งแปดช่องทางขึ้นมาแล้วก็จะมีถนนกว้างวิ่งไปได้อย่างสะดวกสบายไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว มักที่มีองค์8หรือมีแปดช่องทางนี้มีอะไรบ้างช่องที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องช่องที่สองเรียกว่าสัมมาสังกปะโปะแปลว่าความคิดที่ถูกต้องช่องที่สาเรียกว่าสัมมากรมมันโตแปลว่าการกระทำที่ถูกต้อง ช่องที่สี่เรียกว่าสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องช่องที่ห้าเรียกว่าสัมมาอาชีวคือมีอาชีพที่ถูกต้องช่องที่หเรียกว่าสัมมาวายาโมคือมีความขยนันหมั่นเพียรที่ถูกต้องช่องที่7เรียกว่าสัมมาสติ คือความรู้ลึกที่ถูกต้องและช่องที่8เรียกว่าสัมมาสมาธิความตั้งมั่นที่ถูกต้องตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่คื อ, อมรรคที่มีองค์8ถนนหรือทางที่มีแดช่องด้วยกันเราต้องสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะช่องที่หนึ่งเป็นช่องที่สำคัญมากที่สุด ถ้าได้ช่องที่หนึ่งแล้วช่องอื่นๆก็จะตามมาอย่างง่ายดายช่องที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไรก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวของเป็นต้นไม้ใบหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะให้ความทุกข์กับเราถ้าไปถ้าเราไปหลง อ, อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความเห็นที่ถูกต้องเราจึงต้องอยากไปมีความอยากอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นเที่ยงเช่นอยากไปอยากให้ร่างกายที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายถ้ามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะมีความทุกข์ใจมีความกลัวมีความหวาดมีความวิตกกังวลวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง ต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงเราก็จะปล่อยวางร่างกายหน้ปล่อยให้แก่ให้เจ็บให้ตายไปได้เวลาปล่อยได้แล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเช่นเดียวกับของต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบโยศ ส, สรรเสิริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นโลดผพธฒนาชนิดต่างๆก็เป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปยับยั้งมันไม่ได้ลาบโยศสารเสริญสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป มันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปถ้าเราไม่อยากให้มันจากเราไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเรายอมรับความจริงรู้ความจริงว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราก็ต้องจากไปหมดร่างกายของเราเราก็ต้องจากมันไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองาลาบยศสรรเสริญ ลูกเสียงกิตลดโผฏฐะพะสามีภรรยาบททธิดาบิดามดายาสนิทมิสหายก็ต้องจากกันไปเนเพราะของเหล่านี้ไม่เทียงนั่นเองมีเกิดต้องมีดับไปควบคุมไปสั่งเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาไม่ดับไม่ได้ถึงเวลาเขาดับเขาก็ดับถึงเวลาพ่อแม่จะจากเราไปแล้วก็ไปหยุดไม่ได้ ถึงเวลาสามีภรรยาจะจากเราไปเราก็หยุดไม่ได้ถึงเวลาลูกของเราจะจากเราไปเราก็หยุดไม่ได้เพราะของทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้อนนันาจของเรานี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งไม่ได้สั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องตามมาเราก็จะคิดว่าเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร <c oughs> อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยให้เขาดับไปแต่เราจะไม่ไปอยากกับเขา จะไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆจะไม่ไปอยากให้เขาดีไปนานๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนี่คือสัมมาสังกัโปโความคิดที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร ไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานไม่อยากเที่ยวไม่อยากร่วมหลับนอนกับใครเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเราได้มาสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปเวลาเราเกิดความอยากแล้วไม่มีให้เราดูไม่มีไม่มีให้เราฟังเราก็จะทุกข์ใจทรมานใจ เช่นคนดินสุรายาเมาถ้าอยากดื่มสุราเวลาไม่มีสุาลาดื่มก็จะทุกข์ทรมานใจคนติดบุหรีเวลาอยากจะสูบบุหรีถ้าไม่มีบุหรีสูบก็จะทุกข์ทรมานใจคนเสพยาเสพติดถ้าไม่มียาเสพติดให้เสพเวลาอยากจะเสพก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์ ไม่มีสุราก็ไม่ทุกข์ไม่มีบุหรีก็ไม่ทุกข์ไม่มียาเสพติดก็ไม่ทุกข์คนที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่ทุกข์กับอะไรจะไม่ทุกข์กับสามีจะไม่ทุกข์กับภรรยาจะไม่ทุกข์กับบิดามารดาจะไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสิร์มาก็มาไปก็ไปไม่มีก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายไปยังไงก็ต้องตายอยู่ดี มีร้อยล้านพันล้านก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อย่าไปอยากกับสิ่งเหล่านี้ให้คิดว่าไม่อยากได้อะไรแล้วจะมีความสุขถ้าคิดว่าอยากได้แล้วจะมีความทุกข์พระอุปจจัชฌาย์ทรงสอนให้เรามีสัมมาสังโปให้มีความคิดที่ถูกต้องก็คือให้ละความอยากทั้งหมดละความอยากในการ คืละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปท่พรยละความอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากเป็นผู้ใหญ่บ้างอยากไปอยากเป็นกำนันอยากไปอยากเป็นสทสจสสอยากไปอยากเป็นรัฐมนตรีนายกพบมนตรีอยากแล้วมันต้องดิ้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้ได้มาแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้นอยากไปอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ตกทุกข์ลำบากยากจนอยากไปอยากทั้งนั้นปล่อยมันไปมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำไมคนจนเขาอยู่ได้ทำไมขอทานเขาอยู่ได้ เพราะว่าใจอยู่ก็ได้ทุกสภาพเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นยาจบ ก, ก็ได้เป็นคนป่วยก็ได้คนเป็นคนพิการก็ได้เป็นคนหูหนวกตาบอด ก, ก็ได้ใจมันอยู่กับได้ทุกสภาพถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์ถ้ามีความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมา ดังนั้นเวลาเราเป็นอะไรก็เป็นไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นตอนนี้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไปอย่าไปอยากเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายไปอย่าไปอยากเป็นผู้หญ hmm ิงยากจนก็เป็นคนจนไปอย่าไปอยากรวยเป็นคนรวยก็อย่าไปอยากจนเป็นอะไรก็เป็นกับมันไปแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะทุกข์ นี่คือความคิดที่ถูกต้องต้องคิดไปด้วยไม่ด้วยความไม่มีความอยากอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรมาก็พอใจคนด่าก็พอใจคนชมก็พอใจคนให้เงินทองมาก็พอใจคนมารักเงินทองไปก็พอใจอย่าไปยึดไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเราก็อยู่ได้ เพราะใจนี้ไม่ต้องมีอะไรใจนี้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้มีความสุขมากกว่ามีร่างกายเสียอีกนี่คือความคิดที่ถูกต้องสัมมาสังกปร์พอเรามีความคิดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีสัมมากมรันโตการกระทำของเราก็จะถูกต้องเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะเราไม่มีความอยากได้อะไร เราไม่ต้องรักทรัพย์เพราะเราไม่อยากได้ทรัพย์ของไขเราไม่ต้องประพฤติผิดประเวณีเพราะเราไม่อยากได้สามีภรรยาบุตรธิดาของไขเราอยู่ของเราคนเดียวได้ไม่เดือดร้อนนี่คือสัมมากัมมันโตถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปรแล้วมันก็จะมีสัมมากัมมันโตไม่ต้องมาส ม, มาทานศีล พอใจมันไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรมันก็มีศีลอยู่ในตัวมันไม่ต้องมันไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากรักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีแล้วมันก็จะมีสัมมาวาจาคือจะไม่อยากพูดปดจะไม่อยากโกหกหลอกลวงจะไม่อยากพูดคำหยาดจะไม่อยากพูดเพอเจ้อจะไม่อยากพูดส่อเสียนนี่คือ สัมมาวาจาที่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรแล้วก็จะมีสัมมาวาจาไม่ต้องบังคับเหมือนพวกเรานี่วันพระต้องมาบังคับกันบังคับให้รักษาสี่ห้ากันเพราะว่าพวกเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิกันเรายังเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีอยู่ก็อยากได้พออยากได้ก็ต้องหามาให้ได้ าหามาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องหามาโดยวิธีไม่สุดจริญก็คือต้องไปลักทรัพย์บ้างไปฆ่าสัตว์บ้างต้องไปประพฤติผิดประเวณีบ้างต้องไปโกหกหลอกลวงบ้างเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ เวลามันจากเราไปเราก็จะเศร้าสศกเสียใจถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทำบาปไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้เจอแล้วก็จะมีสัมมาอาชีโว ก็จะมีสามาชีพจะทำมาอาชีพโดยสุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ค่าเป็ดค่าไก่ขายไม่ค่าวัวไม่ค่าวัวค้า่าหมูขายไม่ทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นเช่นไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายยาเสพติดไม่ค้าขายสุรายาเมา ไม่ค้าขายเครื่องดักสัตว์ต่างๆเพราะมันจะเอาไปทำลายชีวิตของผู้อื่นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังก ป, ปรจะไม่ต้องทำมาหากินที่เป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่สดจริตนี่คือสัมมาอาชีวะแล้วก็จะมีสัมมาวายามโมคือมีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้อง ขยันอย่างขยนมั่นอย่างไรที่ว่าเรียกถูกต้องก็คือขยันทําความดีขยันละบาปปัญญาขยันกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ายังมีความอยากทําบาปอยู่ก็จะไม่ทําจะทําความดีถ้ายังไม่ได้ทําความดีก็จะทําความดีให้มากขึ้นถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ ก็จะพยายามตัดความอยากให้น้อยลงไปให้หมดไปในที่สุดนี่เรียกว่าสัมมาสัมมาวายาโมความขยันหมั่นเพียรขยันทำความดีขยันละบาขยันกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีภายในใจให้หมดไปวิธีที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปได้ ก็ต้องมีสัมมาสติคือจะต้องมีสติที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็คือสติที่จะหยุดความคิดความอยากต่างๆนี่เองอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้อยากใช้พุทโธ ท, ท่องพุทโธไปแล้วจะไม่คิดจะไม่อยากถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวมันก็อยากคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไร คิดถึงโทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงเงินก็อยากจะไปหาเงินแต่ถ้าไม่คิดมันก็จะไม่เกิดความอยากถ้าคิดแต่คาว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากคอยควบคุมด้วยพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจจะไม่เกิดความอยาก เมื่อไม่เกิดความอยากใจก็จะเย็นจะสบายจะตั้งอยู่ในความสงบก็จะเกิดสัมมาส ม, มาธิขึ้นมาก็คือใจที่ตั้งอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขานี่คือเป้าหมายของเราเราต้องการที่จะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้นิ่งให้สงบถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วจะไม่มีอารมณ์ จะไม่มีความรักความชังไม่มีความไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความอยากในการไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจะมีแต่ความสุขความอิ่มความพออันนี้แหละสิ่งที่ใจต้องการมากที่สุดก็คือสัมมาสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในความสงบ เป็นอุปเบกขาถ้าใจเป็นอุปเบกขาแล้วใจก็จะไม่มีความอยากจะอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรดูก็อยู่ได้ไม่มีอะไรฟังก็อยู่ได้ไม่มีอะไรลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไม่มีอะไรมาสัมผัสก็อยู่ได้ไม่มีราบยศสรรเสริญก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้เพราะใจไม่มีความ ผิวความอยากกับอะไรนั่นเองใจมีความอิ่มความพอนี่แหละคือเป้าหมายของการเจริญมรรคแบบก็เพื่อให้ใจเราได้เดินไปถึงจุดหมายที่ดีที่สุดก็คือความสงบความเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุขขังนี่เองก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้ก็คือความสงบ ที่ถาวรความอิ่มที่ถาวปรปาศจากความหิวความอยากความต้องการเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีปรมังสุขขังกับใจที่เป็นนิพพานนี่คือใจของพระพุทธเจ้า และใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและก็จะเป็นใจของพวกเราต่อไปเพราะพวกเราก็ไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าไม่ต่างจากพระอาหารหันตสาวกมีใจเหมือนกันมีใจแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าใจของเราตอนนี้มันมีแต่ความอยาก <c oughs> เราต้องมาชำระความอยากให้ได้ชำระด้วยการสร้างมรรคมรรคก็คือเนี่ยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องสามมาสัง ก, tonight, งากาโปความคิดที่ถูกต้องสามมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสามมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสามมาอาชิโวอาชีพที่ถูกต้องสามมาวายาโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสามมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องสามมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้อง ถ้าเรามีมรรคแปดแล้วเราก็จะได้พระนิพพานมาเป็นรางวัลเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาแก่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากของรักต่างๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกวันทุกคนต่อไปร่างกายเราก็ต้องแก่ร่างกายเราก็ต้องเจ็บคข้ยได้ป่วย ร่างกายเราก็ต้องตายไปเราก็ต้องพัดผ้าจากลาบยศสรรเสริญจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไปเวลาที่ต้องเกิดการพัดผ้าจากกันก็เป็นเวลาที่มีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเรามีมรรคแปใจของเราจะสงบใจของเราจะอิ่มจะไม่หิวจะไม่อยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ปล่อยวางราบยศเสริญได้ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสปวดทมพระได้ปล่อยวางร่างกายนี้ได้ปล่อยวางร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของญาติสนิทนิตสหายได้เวลาเขาตายไปเราจะไม่ร้องโหมร้องห้าจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเราตายไปเราก็จะไม่กลัว เราก็จะไม่ทุกข์เราจะอยู่อย่างสบายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือรางวัลของการมาสร้างมรรคที่มีองค์แปดทางเดินที่มีแปดช่องทางเดินนี้ขอให้เราพยายามสร้างกันบ่อยๆสร้างกันให้มักบ้างอย่างที่ท่านมาทำกันวันนี้ก็เป็นการมาสร้างมรรคแปดแล้ว สร้างมรรคแปดด้วยการทำบุญให้ทางสร้างมรรคแปด้วยการรักษาศีลสร้างมรรคแปด้วยการความเทศความธรรมสร้างมรรคแปด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดลองทำดูสักวันสิแล้วจะเห็นผลอันเลิศอันประเสริฐหยุดคิดสักวันหนึ่งไม่ได้หรอกเราหยุดทำงานเรายังหยุดได้ หยุดอะไรเรายังหยุดได้เลยทําไ ม, ไมเราไม่ลองมาหยุดคิดสักวันหนึ่งลองมาคิดแต่คําว่าพุโทโธพุทโธพุธพธโทพธโธดูสักวันนดงเราจะจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะพบกับอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อนจะพบความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนจะพบรสแห่งธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อน ลองทาดูสักวันหนึ่งเช่นวันพระวันนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะไม่คิดอะไรจะไม่ให้คิดอะไรจะให้คิดอยู่แต่พูดโธพูดโธไปไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่คิดทําไปมีความจําเป็ น, น, นต้องทําอะไรก็ทําไปต้องอาบน้ำก็อาบไปต้องล้างหน้าก็ล้างไปต้องแปรงฟันก็แปรงไปต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปต้องกินอาหารก็กินไปต้องดื่มน้าก็ดื่มไป แต่อย่าไปคิดเรื่องต่างๆทำไปแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปเราจะเห็นความอาศ จ, จั์ของใจเกิดขึ้นมาในใจเราจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงัวจะเห็นความสงบเห็นความว่างเห็นความอิ่มความพอของใจนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ผู้ที่ปฏิบัติตาได้ก็สบายกันไปกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานใจไม่มีความหวาดกลัวอยู่อย่างสบายไร้กังวลพวกเราก็เป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายตอนต้นท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีกิเลสมีความโลภความอยาก มีความกลัวเหมือนกันแต่พอหลังจากได้ฟังพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดฉันทะความพอใจเกิดวิริยะความภ า, าคเพียนเกิดจิตตวิมังสาเกิดความจดใจจดจ่อจ อ, อยู่กับการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอยู่กับการสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามโอสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิสัมมาอาชีวโวพอท่านสร้างมรรคที่มีองค์แปะนี้ได้ครบบริบูรณ์เจตของท่านก็สงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งของใจมีความอิ่มมีความพอไปตลอด ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราเชื่อในคําสอนของพ่อพระเจ้าแล้วนาเอาไปปฏิบัติเชื่อว่าการเจริญมรรคแปดนี้สร้างมรรคแปดนี้เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความลุจพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญที่ถาวรอย่างแท้จริงนี่คือหน้าที่ของพวกเรา พระพุทธเจ้าทําให้เราไม่ได้บิดามารดาปู่ย่าตายายทําให้เราไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราเราต้องเป็นคนทํากันเองทําแล้วผลก็จะเกิดกับเราถ้าเราไม่ทําผลก็จะไม่เกิดตายไปเราก็จะสูญโอกาสอันดีไปสูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถาได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดไม่มีอะไรจะยากเท่าแต่พวกเราวันนี้ถือว่าโชคดีได้พบกับสิ่งที่ยากได้เจอสิ่งที่ยากคือได้เจอพระพุทธศาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีเวลาที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีคนไม่มีใครที่จะท่าอย่างพวกเรากัน คนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้คามสำคัญเขาจะไม่รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนามีชีวิตเป็นของมนุษย์มนุษย์และมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมพวกเรามีแล้วขอให้เราพยายามทำกันให้มากขึ้นทำจนนักที่มีองค์8ทางเดินที่มี8ช่องทางนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ เมื่อครอบเพื่อนบริบูรณ์แล้วงานของเราก็จะเสร็จภารกิจของเราก็จะหมดไปเราก็จะไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ เพื่อความสุขที่ถาวอนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้นาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วท่าปลอดภัย